ได้รับษาบเอาจากเพื่อทัว่าวัดบรรณสิดาเนะี่ลอยร้อแล้วพระเน้นลอยร้อลงมืดเหลืออยู่ใสอ่องค์บูรษานักการคิดจะอยู่แน่บ่าอยู่แนที่นี่ะ้ะ ท, ทางสิลงเลงแล้ว เขาโทษมาบอกว่าโอ้ยยานหลวงปูอ่อยู่ค่เดียวอยู่ว้กันจักระยะหนึ่งจักสองสามทีหมื่นเห้าพมกันไปเป็นเสภผาเกิดอธิษธรรมเพิ่นอีกยักกรทำบุญเพิ่นอีกยักเพื้อซ่าติสต่างไปเยี่ยมไปยามเบิงงงนันจบนี่ วัดคู่บาลอาจารยผู้มีเื่อมีเสียงมีคุณธรรมแค้ที่สุดเมื่อมัดเปนไปแล้วไงลอยหลอลงสุดโตมลงนั่นแหะสุดจริงตริอย่างมันมีขื่นไม่ล่งแค่ที่แหละอยู่ในโลกเนี่ยเพื่อจังหลอนี่ยหลอมันจริงไปจริงไปกันอยู่วางหนึ่งที่ห่ออยู่หุ้นลอวางหนึ่งจะเท่ากัขึ้นจะเท่าก็บล่งจะเท่ากัขึ้นจะเท่าก็บล่องอยู่นน่ะ อันนี้พ้นสมัยหลวงพูจะโสมไปแล้วร่ลอยหลอลงมากอันใดก็ได้ผู้ศิส อ, อนในการประพฤติธปฏิบัติกันหน่อยพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นรักผู้เป็นพระใหญ่พระเจลากัเป็นเป็นโบมี่เป็นอยู่ตามวิถีชีวิตอีกแบบนึ่งแล้วบัด เขาบอกเลมาดูแลสิ่งต่างๆเรานี่แล้วต่างองค์ต่างกมีจิตมีธุระมีธุรกิจอหอยู่กรุเทพคุณ อ, อยู่กรุงเทพแม่อยู่อินเดียแมนะ่อยู่ไแนะ่มีธุระก็บ่กเลยมาอยู่มาเท่าไม่ประจำละนั่แไหอดังที่ <Jub ilee> บางองค์กับคนอยู่วัดเกี่ยวของแต่ว่าพอมีธุรกิจมีกิจการกิจกรรมอย่างอื่นเลยจะต้องเที่ยวไปวัดเกี่ยวของกับจอยล่อจอลงกับห้างนี่เป็นอย่างนั้นมันเป็นยุคถึงสมัยยุคเพื่อนี่ห้าวส่างแล้วใหม่ๆเกิดขึใหม่คือง่ามทานไปกีหนึ่งสองสีไปแล้วสุดโส้มเนี่ยเพื่อนเนี่ สีจะลอกกระด้างกระจ้างกระดำไปเมื่อนเนี่ยขนมันข้นโดูแลแหงไห้เงื่อนเนี่ยขนบมันปัดมันขวดมันเห็ดมันถูมันทังหยาทางยูน้ำเลาะเดินบ้านเนี่ยแหละโอ้ยแหงขี่ไห้หลายแต่สีบวไห้มันเคลื่อมลุกเล่ยละไม่ได้ดอกมันต้องเคลื่อมไปทุกดินทุกยางเนี่ยแต่ท่านท้อระวังรักษาอยู่มันอแเครื่อมลุกซ่าในเช่นน้อย พราลงก็ยังคงทอดเดี่ยว ม, มองมแ ม, ม่งๆไปอีกว่างนึงอยู่ถึงขนาดันนี้กันจ้าวัดนสิดาก็รรู้ครูท่นไปแล้วบ่มีคูส่วนบ่มีคูอยู่บ่มีคูอยู่รรประจำอยู่เป็นลับหันอยู่น้าเขาหันน้าพระน้าเนนน้ำหยาดน้ำโยมหั น, น, น, นเป็นลับประจานะทันบ่มีครูยังันลี่ห้างรู้เด็ก ีทางอันนี้ส่ผิเตาผิ้มลงเมื่อ้วกูสีกูต่างเ้ยใ่สิหทางลงงั้นแหละผิดส้มผิดเปลี่ยนผิดเงี้ยผิดเน่าไปได้มันอยู่กับกุทธบริซัเนี่ยทําบผ้ากันรักษาแวบโบ้เหลือดอกบ้เหลือถ้าแม่รักษาแล้วมึงจะแกยั่งผิดไปอยู่ไหแล้วเกิดมาแกระยุระยกหน่ยุคเป็นมันหุงมันเฮืองอะ มาดูเข้าเ ม, มื่อสี่ไล่เลยเมื่อสิบว่ากันรักษาพวกการผัวดีเทสเชลจะของมักตื่นการรักษาพระศาสนาเนี่ก็ บ, บ่เป็นยากอย่างเดี๋ยวรักษาตัวเจ้าของรักษาจิตรักษาข้อสวงทํานองการกระพริบปฏิบัติรักษาขอวัดปฏิบัติรักษาถ้ำรักษาวิ น, น้อย เขาเจ้าของไงเห็มันเพียงมันสงมันตั้งไหวแย่าล่มอะไรนั่นจะถึงการรักษาญาติย่อมบอกพระเจ้าพระสงฆ์เล่นเขาจิตมาเบิ่งเองดอกเขาจิตมาเพื่อมาขึ้นมาอยู่นํางอยู่ภูมีบุญมันเกิดมากน้ำคนกต่มีบ่ม่เกิดบ่มีบุญแต่แค่ห้าบ่มีมีบุญแต่สุดลงปูดิแต่มีบุญอยู่ เว่าขันมากแล้วบ่มีกองเขาเพิงบ่มีให้เขาส้นบ่มีให้เขาเคาะเขาเกี้ยวขึ้นเขาก็บนไงยังสิมันยุบมันยอดเขไปยังสิเราพระศาสนาบัดมีเพสีจะผู้อื่นได้ผู้นั่นผู้ดูแลผูุ้ณหรือผู้ดูแลหรือกีแค่เจ้าของพอแห้งจะหาจมให้เจ้ผู้อื่นนั่นหละมันมันเป็นยังกันมันวาร้ ผู้อื่นโบเหตเป็นตามหัวม่ปุยอยงโอ้เอาคงเทาห้อยเหตุคงเทาบุญเท่าก็ได้จะเลื่อนเท่าก็จเลื่นมันคงเท่ากับมันคงระษาขนามันฮุ่งวางอื่นไปเดยก็มุ่่งเดีหนงเาียมันก็ได้เดี่านั้นียวนี่เราสิปัจจันคืดเท่านันปักันคืดแต่ว่าสิพฤหังเพื่อนสุนีนี่แหละมันก็เลห่างเราเนี่ยทเี่ยงแตกันนิงแต่กัน นี่แหละให้จีซุสก็เลยห่างเมื่อหลังนี้มันกาลังจีห้างจีเท่มันคุ้ยมันกลวยตรงเจงตรงเจงแล้วโตวไปซ่อมแม่ม้อนานไปสอ่องมาแม่ใ ห, ห้แก่ผูอื่นไปส่อมไปเทศนี่แหละเนี่ยการปฏิบัติส่วนของพุทธรบริการเป็ น, นสิ่งสําคัญเนอะจำไว้ให้เข้าขันเอนวัดทิ่งมัาเสีงโดนไปแบบให้พญยายา่ามสั่งส่นวนไว้ให้โดยชอบอย่าเหตุไปกลัว แนวกิ๊บแวเป็นไปทัวมันแนวหลายดอกมันนี่แนวกิอยากให้เข้าเทปไปทัวร์เนี่ยหลายขึ้นย่างเนี่ยคันบ่ระว่างแบบห้างแล้วนีักเปล่งหลวงปู่ไปแล้วนี่อกันคันเขาส่งโตไว้ไอบอดีนึงเข้านี่ละที่ผ้าห้างผ้าวัดห้างโบเมนบเมนแนวอื่นเลิกเข้านี่และผ้าวัดห้างคันเข้าประทังรถตังใจทาเฮ็ดไปทัวแนวกู้บายการรถผ้าเอ็กซาเฮ็ด อันไหนว่มันคิดถูกจะอยู่เฮียนมาอยู่ประเทศโอ้โหมัน ก, ก็สล่ลายเลอาอีกจักสองตามืนาามนานมน่นสี่ภาพไปท้าหมุนวัดหลวงปูกันโสมว่าไ้เตียมโตไไวพุทธินิเงนลายๆแบบไปๆย่างที่ต่างไปเยี่ยมนะไปเยียเย่ยมพยายามไปยง